แผลเมตตาควรจะพนมมือไหว้หรือใช้มือขวาซ้อนบนมือซ้ายตอบเลยอันนี้เคยชัดเวลาแผลเมตตาไม่ต้องพนมมือหรอกหลับตาแผ่ไปทําความสงบเวลาจะแผลเนี่ยทําความสงบโยมเยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้นอนทําไงเวลาแผลอย่าหลับนะต้องเลืมตามไหม เลิศก็ได้ไม่เลิมก็ได้ไไดแต่เลิศนะมันมัวไปเห็นนาฬิกาหลับตาซะมือขวาทับมือท้ายทำสมาธิตั้งสติไว้อุญลมมาปาัญญายเตะสะเพยสัตาสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้นว่าไปแล้วก็แผ่ไปใครๆว่าไปไม่ต้องมานมมือแล้วถ้าพนมมือก็เป็นการสวดมนต์ไม่ละ นะ nah.